ซึ่งในคําโฆษณาชวนเชื่ออ น, นามาตจรรันของพิรามิดแต่ถ้าเราไม่ต่าจากหลักการคิดแบบชาวตาน อ, อซึ่งยืนพื้นในบนมโนธรรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดเหตุเชิงเหตุผลนักเราจะพบว่าพิรามิดก็เป็นเจตียศของอิมโมโฮเทฟสถาปนิกคุลิลอนแต่ว่าแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานทาสเพราะไม่มีรายละเอียดที่ท้อนออกซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้สร้างสรร์ แต่มันจะเป็นใช้หลักคณิตศาสตร์เข้าจับระทยาทางมุมต่างๆจุดพุ่งหมายยังคุมเครือว่าสร้างเพื่ออะไรแ น, น่แต่ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นสิ่งน้าปัะจับ์จในยุคปัจจุบันในยุคสมัยใหม่คือบริบโภคตแล้วเราจะพบว่าแรงงานที่นั่นเป็นแรงงานศรัทธาครับไม่ใช่สร้างด้วยแซ่หรือไม้ตะพที่ทุกตีเพื่อให้ใช้แรงงานที่สร้างสิ่งเหล่านั้น สำหรับผู้ที่เป็นช่างหรือผู้ที่มีความละเอียดอ่อนจะสังเกตออกว่าแรงงานทาสแรงงานเกณฑ์นะครับกับแรงงานศรัทธานะต่างกันมากครับเมื่อไปที่นั่นเราจะพบสิ่งประหลา์ที่ว่ามิติเบื้องหลังการสร้างนักวิชาการคำนวณว่าถ้าใช้ช่างสักหมื่นคนนต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยปีจึงจะสาเร็จได้ ทั้งสเกลขนาดที่มหุมวานะฮะแล้วฝีมือที่วิจิตรบรรจงรายละเอียดของได้ดูในสไลด์นะครับมันไม่น่าเชื่อเลยที่จะสร้างกันได้ด้วยน้ำมือน้ำพักน้ำแรงของประชากรชาวาบนเกาะชวาอย่างเดียวในเลคคอร์ดต่างๆในบทบันทึงต่างนะฮะในประวัติศาสตร์นั้นไม่ปรากฏว่าในช่วงสมัยที่บรมโจสูกสร้างนั้นบนเกาะชวามีประชากรมาก ซึ่งนำไปสู่ข้อคิดที่ขัดแย้งอยู่ในตัวว่าทั้งนั้นงานศิลปะเลอเลิศซึ่มีขนาดใหญ่เนี่ยเอาแรงงานที่ไหนมาเ mm hmm. ข้าใจไหมครับที่ผมกำลังเสนอเนี่ยว่าไม่เคยมีบันทึกว่าบนกอชาวามีประชากรมากเป็นขนาดนั้นสเกลเงินใหญ่และงดงามเนี่ยมันฟ้องมิติหลายมิติเช่นว่ามิติทางปรชัชญาชีวิตต้องลงตัวมากสังคมต้องมีเอกภาพสูงมากจึงจะรวบรวมและสร้างสรรค์สิ่งนี้ได้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 มบีบทบาทสูงในการแพร่ขยายคําสอนพระเจ้านะครับแต่พระองค์ทำโดดเดียวและเดี๋ยวนี้นักวิชาการเริ่มท้วงติงว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาสูญสิ่นไปจากอินเดียก็เพราะฝีมือพระโศดกนั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีอัคกกติท่านถ้าว่ามันสูญไปท่านคงไม่ได้เจตนาและตั้งใจเพราะาท่านคานึงถึงการส่งสมณทูตออกนอกประเทศมากกาว่าการฟื้นฟูในประเทศ แตาสำหรับก ษ, ษัตริย์ราชงศ์ไซเบนนั้นดูเหมือนมีอะไรที่แตกต่างกันมากครับเมื่อเราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์เรียนเริ่มเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรส่วนอย่างนักเรียนสูงกว่ามักจะเปเริ่มต้นที่กริเรียนรู้วิหารความงามของพาเทนน์เรียนรู้อียิปต์แต่เราไม่เคยเรียนรู้ผู้กามซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรานีนเดียวเราไม่เคยรู้จักบ ร, บรูบูเดอผมอายุตั้งมากครับเพื่งเพื่อนรู้สิ่งว่าที่จริงยอดสุดของอารยธรรมมันอยู่ ใกล้นิดเดียวเราสามารถที่จะศึกษามันได้อย่างอย่างสมภาพภูมและเต็มใจและเป็นสุขยิ่งครับเรามาจินเนการเล่นถึงถึงสถูปซึ่งใหญ่มากนะครับมีพุทธรูปองค์ใหญ่ๆประมาณห้าร้อยสี่องค์ชาดกห้าร้อยเรื่องแผนเน่นคือภาพฉาก ท, ที่แกะสลักเป็นพันๆครับและเรื่องชวนระทึกใจตรงที่ว่า หลังจากลาฟเฟิลได้พิสูจน์เปลือกฉมหน้าของบรโูบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยตราจากนั้นแวนเอิร์ฟนักปรังคดีหนุ่มอายุ25ปีได้สร้างวีรกรรมสร้างบุญคุณให้กับชาวพุธโดยการทุ่มเทสติปัญญาของเขาฟื้นชีวิตให้กับบรโูบโตแม้เขาจะทําไม่บรรลุเป้าหมายเพราะขาดข้อมูลมาณก็ตามแต่เขาเป็นคนแรกเลยที่ทราบซึง้ทงทั้งๆเขาก็ไม่ใช่ชาวพุธนะแต่เขาเห็นความงามมันบริสุทธิ์ของศิลปะจากฝีมือของมนุษยชาติแบบนี้นะครับ ปัจจุบันนี้บรูไโทโธได้กลายเป็นตราของยูเนสโกซึ่งเกียรติยศนี้น่าประหลาดมากยูเนสโกเป็นองค์การสามัญชาตินะฮะแต่ได้ใช้บริไโทโธเป็นตราแล้วก็ออกทุนให้ประมาณ25ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ฟื้นฟูบูรณนะจำเดิมตั้งแต่ลาฟเฟลได้เปิดเผยโฉมอันงดงามวิจิตรลังกาของบรูไทแล้วใช้เวลาอีกร้อปีเต็มครับ ที่จะฟื้นคืนชีพให้กับบรูบโดหลังจากบรูบโดได้สลบสไลด์อยู่ในป่าดึกดําบันนี่พันปีเศษคือมีใครรู้เรื่องราวของบรูบโดเลยพันปีเศษเป็นพันปีของการผูกกล่อนพันปีแห่งตะไคร่น้ําและเชื้อราที่กัดกล่อนเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าทีมงานที่สร้างได้แสดงร่องรอยของอัจฉริภาพของการยังรู้เหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราเห็นได้จากขนาดหินที่ใช้ก้อนเล็กๆเข้ามาเรียงกันประมาณสองล้านก้อนทำไมทำไมไม่ใช้หินก้อนใ ห, ใหญ่ทำไ ม, ไมใช้หินก้อนจิ๋วๆครับมาเลียงเลียงๆๆๆเลงเียงหตุผลประการเดียวเท่านั้ น, นครับที่ผมพอจะนึกออกนะครับก็คือรอบๆบริเวณทุ่งเกดุอันที่ที่บริบร ถ, ถูกส ร, ร้างขึ้นนั้น คือผูเขาไฟที่ยังเป็นๆอยู่แม้ทุกวันนี้ยังค้นคันขโมองอยู่แล้วในประวัติสตรที่แล้วมามีการบันทึกว่าภูเขาไฟได้ค้นลาวาออกมาและเป็นดินสั่นสะเทือนดังนั้นถ้าใช้ก้อนหินใหญ่โครงสร้างทั้งหมดจะถูกทําลายไปในคลิปตาเหตุนั้นเองครับจึงใช้ก้อนหินก็เล็กเพื่อถนอมโครงสร้างหลักถ้าพังแถมหนึ่งบูรณะใหม่ได้และข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นด้วยครับปัจจุบันนี้เนี่ย หลังจากร้อยปีของการพยายามอย่างหนักของนักโบราณคดีทั้งต่างประเทศและในประเทศอินโดนีเซียเนะี่ยได้ฟื้นคืนชีวิตให้กับบรูพุโตอย่างอย่างน่าสันเซินยิน่งแม้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นในทอนเที่ยงวันแล้วเราอาจจะไม่สู้สบอารมณ์นะที่เห็นเด็กหนุ่มมุสลิมต่างๆป่ายปีนขึ้นไปบนบ่าของพุทธลูกเป็ปนทั่งบนภรเศียรเพื่อถ่ายรูปแต่ว่าการที่เขาฟื้นชีวิตให้กับบรูพุโตนั้นเราน่าจะใส่เขาได้ แง่หนึ่งครับเชื่อว่ารัฐบาลมิโนโนเนเซียจะต้องปรับปรุงมากที่ขึ้นทุกวันนี้บรบุดโดได้แผลงลิบทำให้คนแถวนั้นมีงานชีพกันมีอาชีพกันเป็นแถวเลยครับขายของที่ระลึกก็ดีขายเสื้อที่มีประทับตราบรรบุดโร ก, ก็ดีนะฮะสิ่งนี้เป็นการกลับมาใหม่แต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วครับมีความจำเป็นที่รัฐบาลิโนโนเเซียได้ปรับรอบๆบริเวณให้เป็นสวนสนุก ซึ่งบรรยากาศไม่สู้ศักดิ์สินักแต่ไงก็ตามนะครับบรมุธทธยังมีคุณค่าล่วงลุกการสมัยอยู่จนทั้งปัจจุบันนี้มีจินตนาการนันมากมายสำหรับผู้ที่มีรักที่จินตนาต่อ บ, บรมุทธมอเห็นแล้วก็คิดกันไปต่างนานาอย่างน่าประ ห, า ห, าหาลาดครับมีตำนานเล่าลือเบื้องหลังผู้บุรณะซึ่งเป็นชาวมุสลิมเกิดในหมู่บ้านนั้นนอ ซึงเขถูกบิดามันดาหา้ามไม่ให้เข้าไปที่วเล่นในที่ที่มีผีดุเขาเหลียวแลไปก็เห็นในต้นไม้หนาทึบสลับซับซ้อนและเห็นยอดสถูปตรปลายแต่ถัดมาหลายปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็ค่อยกล้าเป็นวิศวกรเหมือนกับฟ้าสั่งให้มาบูรณนะแต่เขาคือมุสลิมแต่คําสัมภาษณ์ของเขาสู่นักพิพ์และผู้ที่ไปสัมภาษณ์นั้นน่าทึ่งครับเขาบอกว่าเมื่อผมเดินอยู่ในคืนเดือนง่อย บนลานสุดถูกยอดเจดีย์ของบริไโดรผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นมุสลิมผมเป็นมนุษย์เขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับผู้ที่มีความไหวอ่อนในด้านสุนทรียภาพอาจจะทราบซึ่งจนจนลืมไม่ลงครับความงามความตะ ก, การนั้นได้แผ่นหัวใจของเราให้กว้างเพราะว่านช่างตัดสินใจสร้างสุดถูกไปในแนวนอน อนอกากนีครับปกติสตูงมันจะสร้างสูงขึ้นดังเราเห็นนครวัดสิ่งอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งแต่สำหรับนครวัดนั้นในทัศนวงผมเองนะครับเป็นจริงอัศจรรย์ที่ไม่มหัศจรรย์เพราะว่าเป็นลูกหลานของอินเดียและการสร้างไม่มีอะไรพิเศษนอกจากความงามเชิงสถาปัตยกรรมจริงๆแล้วสู้นครธมไม่ได้ครับแต่นครธมแม้จะสร้างทีหลังก็พพังไปเร็วเพราะว่าเทคนิคไม่ถึงแต่นครธมนั้น ได้ประสานทางปฏิกรรมนะครับเข้ากับประติมากรรมดังที่เราเห็นพระพักของพระโพธิสัตว์ซึ่งเอามาทำเป็นเจดีย์ให้บรรยากาศที่พิเศษชวนพิศวงมากทีเดียวครับทุะคอนทงนั้นเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรำเพราะสร้างจากคติมหายาณคติโพธิสัตยานนะครับส่วนนครวัดนั้นเป็นการประสาน ร, ระหว่างฮินดูและพุทธว่ากันว่าพระเจ้ามรากฎเคยอยู่ที่นั่ น, นครับแต่ว่าทั้งสองสิ่งนั้น อายุอ่อนกว่าบรมบโดถึงส0 0รอปีที่ว่าจินเนการมากมายนั้นคือรูปลักษณ์ของบรโรบโดนั้นเป็นการผาสนา ร, ระหว่างปราศาสตร์และสถูจนกรงทั่งว่าจินเนการเชื่อมโยงไปสู่เอเชียมิเนอร์ที่เขาเรียกว่าสเตปปิ้งพีระมิดขึ้นเป็นชั้นยนชั้นนทุกคนคงต้องฝันตามที่ผมพูดไปแล้วเขาเพราะว่าไม่มีภาพให้ดู เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ว่าเป็นภาพปติมา ก, กรรมครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในแง่มุมของอาร์เคเต็เจอร์นีซายนะฮะที่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็คือการใช้เสลียงที่เรียกเทเลกับผนังบีบความรู้สึกให้ค่อยๆไหลเลื่อนและแปลเปลีย่ยนจากชั้นต้นไปสู่ชั้นกลางผ่านทางกาลามุกหรือโคบุระนะซึ่ง เพื่ออธิบายถึงความลุ่มลึกของมิติเมื่อเราจิตใจชีวิตด้านในเราถูกยกระดับสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดต่อห่วงเวลาเปลี่ยนไปจริงเรียกว่ากาลมุกหน้าการหน้าแห่ ง, งกาละเวลาขึ้นไปสามชั้นครับฐานชั้นแรกนั้นถูกกลบทับไว้นานเท่าไรไม่มีใครทราบได้ครับ เรื่องนาทึ่งก็คือที่ยังเป็นปมปริศนาต่ อ, อนักพิจารณก็คือเท่าที่ราสืบทราบก็คือเท่าที่หลักฐานเอื้อมหน่วยนั้นมันสร้างบริโภโตเสร็จประมาณห้าสิบปีทั้นั้นราชวงศ์ไซเรนก็ล้มสลายราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ฮินดูแต่งไงก็ตามราชวงศ์ฮินดูนั้นก็ยังอุปถสมบทคัมจุนพระพุทธศาสนาและบริโทคโตมันกาะชวาอยู่เหมือนเดิมเนื่องด้วยมเหสีองค์หนึ่งของกษัตริย์ฮินดูราชวงศ์ใหม่นั้นเป็นพุทธ มีจิลาเจลึกบ่งบอกหลักฐานว่าพระนางกราบทูลพระสวามีเพื่อจะไปนมัสการกามู ล, ลานใช้คํานี้นะครซึ่งทางวิชาการเชื่อนี้ต้องหมายถึงบริบูโหกามู ล, ลานกามู ล, ลานมันสันนิษฐานว่าคําหน้าเป็นภาษาชวาคากลางมูละเนี่ยคือภาษาบาลีหรือชนสกฤตที่แปลว่ารากเดในนั้นมีนักคิดสันนิษฐานว่าการสร้างบริบูทหที่ทุ่งเกดู นอกเหนือจะให้เป็นเจดีโลกแล้วยังเป็นสักการะบัพชนของราชวงศ์ไซเรนซึ่งเป็นมูลรากเพราะบ้านเกิดของราชวงศ์นี้อยู่ที่นั่นนี่อีกประการหนึ่งนะครับไม่มีใครทราบได้แน่ชัดนะครับว่าทำไมฐานล่างถูกกลบดินได้สิบเมตรกว่าความสูงทั้งหมดของบรูบโดทั้งหมดประมาณสี่สิบเมตรครับแต่ถูกกลบไปสิบเมตร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 พยายามจินตนการว่าเขามีกรรมวิธีในการสร้างอย่างไรเช่นการบริหารบุคลากรผมเชื่อต้องตั้งหมู่บ้านข้างแล้วก็ต้องเกณฑ์ประชาชนหลายตำบลเพื่อเป็นกองสเสบียงสิ่งที่พบที่หน้าประหลาดก็คือเขาเริ่มแกะสลักจากข้างบนก่อนกานสาร้างโครงสร้างด้วยหินเกลี้ยงๆที่ตัดเป็นก้อนเล็กซึ่งไม่มีมอเตอร์เชื่อมแต่ใช้น้ำหนักทูงกันเอง แล้วทำเดรยสลับเพราะว่ามันมีแรงเคลื่อนของแผ่นดินอันเนื่องจากการที่ฟู้เข้าวไฟระเบิดจะรักษาโครงสร้างหลักไว้ได้เมื่อสร้างโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้ ว, ยย ก, ลวก็เริ่มแกะสลับจากข้างบนลงมาก่อนจากแผนงานนันยอดเยี่ยมของนายช่างซึ่งเป็นใครไม่มีใครรู้เ ม, มื่อไม่มีใครรู้ในสุดประชาชนเองก็ต้องสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจนได้และใครคนนั้นกําลังนอนหลับสนิทมาพันกว่าปีแล้วครับ คือรูปรักษ์ของภูเขาที่นอนเหยียดยาวมีสันเขาเหลา่าจมูกและมีเครื่องเหล่าก็เป็นทรงอกของผู้ที่กําลังนอนหลับสนิทและเรียกชื่อว่าคุณธรรมเชื่อกันสร้างเป็นตำนานว่าทวันนี้คนนี้แหละสร้างแล้วท่านก็ล้มหลับเพื่อเฝ้าบริวชรที่จริงคือรูปสันเขานั่นเองครับไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นแต่ที่นั่นครั้งอดีตเป็นที่ตั้งของวัด ที่ใหญ่มากรอบรอบบริวบริเวณนั้นลาษณะที่ได้พบก็คือจากาการอ่านในตำราบ้างนะครับก็พบว่าฐานล่าสุดซึ่งสร้างเป็นฉากในโลกนี้จากพระธรรมภีร์กมมิพังซึ่งมีหินสลักมากมายครับมากเกินกว่าที่จะเล่าได้ถี่ถ้วนแต่พบสิ่งสำคัญมากก็คือสร้างไม่เสร็จกำลัาางเดินเช่นอยู่เซาะลึกเข้าไปแล้วก็ไม่เสร็จหลายรูปด้วยนะ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 ดั น, นั้นบริพุทธก็ล้างตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมากินเวลาพันปีเศษครับจริงทุกเวลาครณีรุ่นหลังต้องใช้อุตสาหะวิริยะอย่างสูงมากครับน่าสำเสริญน้ําใจเขาริงจริงๆเลยครับปัจจุบันนี้นั้นแม้เวลาจะผ่านมาถึงพันปีเศษภาพสลักมันเลิ่อลอยเหล่านั้นนะครับผุกร่อนไปแล้วแต่การเวลาและ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 เราจะจินตนาการต่อได้ว่าทั้งองค์จังงดงามเพียงดใดใที่บรรพบุรุกเเป็นดังนั้นครับมีภาพมากมายชั้นที่สองก็เป็นฉากของรูปภูมิครับอันแรกเป็นการมภูมิเมื่อเาเดินเหนื่อยแล้วนะครับเราจะยกระดับขึ้นสัมผัสพุทธประวัติแบบมหาญาณในชาดกเรื่องสุทนมโนลานะซึ่งน่าแปลกนะที่คนไทยอยู่ในประเทศนี้เท่าไหรนไ่นะครับเจ็ดสิบล้านได้ครับ ผมเข้าใจประมาณนอกประเทศก็ประมาณนี้็ล้านโดยเฉพาะคนไทยแคว้นอัสสัถ้าเราไปถามเขาว่าบับพปชนเขาคือใครเขาบอกบับพปชนคือโนราหรือถ้าเราไปถามคนปากใต้นะถามคนปากใต้จะสอนลกูกสอนหลานทุกลุ่นมาบอ ก, บอกพวกแกนะมันตายายโนราอะไรนั่นนะคือบับพปชนเป็นโนรานี่นา่าแปลกเหมือตั้งแต่เชิงรายจดสงขลาปัตตานีนี่ วันทกา ร, รเรื่องสุดทนนี้ได้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเขากินีนีนั้นนั้นคือถ้าเทียบไปทางฝรั่งตอนตกขึ้นนิ่มสัตว์ครึ่งนกขึ้นคนซึ่งเป็นสัญลักษณ์การที่พระสุทนต้องออกติดตามอย่างแสนเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้รับสัตว์แสนสวยและสัตว์ซื่อที่สุดฉลาดที่สุดเมื่อคืนนั้นถ้าจะใท้เวลาตั้งทั้งชีวิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน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 ว่าธรรมลงยาหอหนึ่งผมจำไม่หมดนะให้พระสุทนสวามีที่รักและสั่งพระฤาษีจะบอกความว่าขออย่าได้จิตตามไปเลยทางนี้ไกลนักและแสนกันดารแต่ถ้าจะตามจงจับลูกลิงตัวเล็กๆนำทางไปและจงปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนที่จริงเป็นโครงสร้างทางธรรมครับผมเคยบรรยายไว้ที่กรารประชุมนานาชาติครั้งหนึ่งถึงความสาคัญของ ธนาชาดกมองแง่หนึ่งเป็นนิทานชาดกธรรมดามองให้ลึกเป็นการเดินทางภายในครับฝ่าหิมพานนั้นจะพละนาถึงดงหวายดงไผยต้องผ่านภูเขากระทบกันต้องลอดใต้ท้องช้างต้องเดินบนสะพานงูเหลือมอะไรเหล่านี้นะครซึ่งที่จริงเข้าเรื่องปฏิจจสุ บ, บาทมาเสกสร้างให้เป็นตัวละครเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนที่มานะเพื่อจะสอน ธรรมะั้นลึกภายใต้รูปของนิทานซึ่งวันนี้จูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรมหัศจรรย์มากที่บรุโดโด๊กบรู๊โวสองเรื่องคือสุดทนของฝ่ายเทรวาตดังที่เล่าแล้วและสุดทนกุมารผู้แสวงหาภูมิปัญญาของมหายานซึ่งโครงสร้างคล้ายกันมากแต่คนละเรื่องนะสุดทนกุมารของมหายานนั้นใช้นุ่มผู้ออกแสวงหาปัญญาเพื่อเข้าถึงการตรัสรู้ ที่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเขาดันด้นตงไปหาเทพธิดาราตรีต้องไปพบคอนโ น, น, น, น้นคนนี้ไปหาคุบาอาจารท้ายสุดก็ซัดเซไปนั่งอยู่ใต้ปร า, าสาทของพขปวิสัตถ์ศรีอารยะเมตใจแล้วรู้ธรรมะที่นั่นเราเห็นโครงโครงสร้างสองเรื่องมีแล้วเราพบว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องการดันดนค้นหาความจริงของชีวิตนะดังนั้นเองนะครับ ทั่วทั้งสีโลกที่เป็นเมืองพุทธจะคุ้นหูกับเรื่องสุทนมโนราหรือนางมโนราเนี่ยมากแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในรูปของการฟ้อนลํำเล่นเพื่อสนุกสนานหลังจากครั้งหนึ่งในอดีตในยุคของการสร้างสารรนั้นเต็มไปด้วยแก่นสารเป็นาศาสนาพิธีปัตเ้าเมืองฟ้อนมโนราเขาไม่เล่นนะผมเคยให้คนภาคกลางไปดูตกใจเลย พอเขาคิดว่ามันเหมือนฟ้อนเล็บทั้งจริงใหม่ที่จริงคนละอ่านมนุราบูชายันนั้นเป็นพิธีกรรมศัตระเขาฟ้อนเพื่อบวงสวงต่อเทพเจ้าต่อพระโพธิสัตว์ผมได้พรลลานามาพอสมควรในเวลาแล้วนะครับจริงได้ลิ้มลองนิดเดียวเท่านั้นเองแค่สินตนาการคล้อยตามคำพูดเพ้อพกของคนที่ไปหมายมั่นไว้กับบุรุโต่นั้นเองเพราะผมคงต้องเดินทางไปอีก หลายหนถ้าเป็นไปตามที่คาดปัจจุบันนี้ผมได้ได้สื่อเรื่องนี้ให้กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาศิลปะได้รับทราบบ้างแล้วและหลายคนรู้สึกถึงความสำคัญที่ต้องกรอกไปสู่รากเหง้าของศาสนศิลหลังจากที่ปล่อยตัวเองให้เตลิดปเปิดเปิงไปสู่เอศิลปะที่มันไร้ค่าและไร้ความหมายอะไรเหล่านี้นะะตอนนี้ขอดูสไลด์กันพอให้เป็นที่ เป็นเขาโครงนั้นครับภาพตัวนี้ไม่ได้เรียงตามลําดับนะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งบนฐานหรือเหมือนจะเป็นฐานที่สองครับผมจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรียงลําดับแล้วนี่จะจําได้ภาพมันมากเหลือเกินครับเป็นพันๆภา พ, พ, พครับว่ากันว่าจากฐานที่เราเดินไปทักษิณไหมครับขึ้นไปสามชั้นเก้าระดับสามเทเลสเทเลสใหญ่ในสามเก้าระดับนั้น รวมระยะทางแล้วประมาณสามกิโลเมตรเฉพาะบนองค์พระมหาสถูปวันนี้นะครับต่อไปครับลงถ่ายเยนี่เหมือนสำหรับผู้ที่รู้เรื่องแทบไม่ต้องอธิบายเลยต่อไปครับผมอธิบายได้ก็จะบอก <c oughs> นี่เห <c oughs> มือนเป็นฉากของเจ้าชายเมื่อสมัยที่ปะลองพระกําลังครั บ, บปลายบ้านเองไม่มีนะฉากนี้เพียงแต่ว่าเจ้าชายเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆแล้วก็เหมือนฉากนี้เป็นฉากของการยิงขั้วตาลด้วยครับ มีเรื่องเล่าซึ่งควรแก่การเล่าสู่ลูกหลานครับว่าในการแข่งกีฬานะเจ้าชายหรือผู้ที่มาเป็นผู้เจ้าในอนาคตรหรือผู้ที่จะับสรู้พระโพธิา น, นั้นไม่มีวิธีการเอาชนะผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเครียดแค่และลิษยาเล่าไว้ในประวัติบางตอนว่าเมื่อทรงม้าแข่งกับเจ้าชายซึ่งเป็นพญาติรงชักม้านําพอให้รู้พลังตัวเอง พอรู้ชัดว่าตัวเองชนะแน่แล้วก็แกล้งแพ้แกล้งหย่อนมา้าเพื่อถนอมน้ำใจผู้อื่นื่งทีนี่จะเป็นร่องรอยของของการต่อสู้อีกแบบหนึง่งไม่แค่ความงามดนะูเดี๋ยวนี้บรูพโตได้ใช้ภาพนี้ครับภาพเจา้าชายมังนาถธนูนี่ครับซึ่งสง่า ง, งามมากนะาปั้นไว้ในทางเข้าบรูพโจที่เห็นดนำานั่นคือตะไคร่น้ำครับซึ่ง ทางรัฐ บ, บาลและเจ้าหน้าที่นักเคมีได้รวมมือกันคิเคราะห์ถึงเชื้อไวรัสต่างๆ ท, ที่เกาะ อ, อยู่แล้วพยายามทุกอีกทางที่จะจัดการให้หยุดการแพร่ขยายและการกัดกร่อนโดยไม่ทำลายเนื้อหินครับซึ่งเป็นงานที่ยากแสนเข็นตอนไปเห็นเจ้าหน้าที่เ็าบรจงเอาสาลีค่อยๆแตะเทลมิททลิด้วยความเพียนอย่างมากครับผมเชื่อว่า แม้พนักงานเหล่านั้นจะไม่ทราบถึงในพระพุทธศาสนาแต่เขาคงรักสถานที่นี้อย่างมากวันนี้เองที่ผมเล่าให้ฟังสุดทนของมหายาณนะครับขนุ่มซึ่งสอบแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาลูกจากนี้ดูเหมือนจะไปกราบเทพธิดอาอังลาตรีหรือสุดทนของมายานแปลกนะเรียนจากครูทุกเพศเรียน เรียญจากสัตว์ก็มีนะวิชาที่เกี่ยวกับการศัลยนุษนั้นผ่านมาทางเทพธิดาซึ่งเป็นสตรีเทพที่เข้าไปกล่าวถ้านั้นคือถ้ากล่าวครับเราต้องนึกนะฮะว่าท่วงท่าของเราปัจจุบันนี้เนี่ยคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมากแล้วเดี๋ยวถ้าเห็นภาพเจ้าชายกี่กันพก า, กาออกบทจะตกใจครับเพราะว่าท่าของเราไม่เหมือนในของเขาผมนึกไม่ออกว่าเป็นภาพตอนไหนนะแต่ว่าภาพส่วนใหญ่แสดงอารมณ์นะครับเมื่อผมเดินอยู่ ที่เฉลียงนั้นรู้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวภาพวันนั้นมีชีวิตชีวามากๆครับอย่างน่าทึ่งดีเลครับที่เห็นเป็นรอยแท่งหินนะครับแสดงใช้หินก้อนเล็กเห็นไหมครับซึ่งาาพระจากรพรรด น, นี้เห็นได้ว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจใช้หินแท่งเล็กที่ฐานล่างนั่นเองซึ่งไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปแกะสลักเลยก็ยังใช้หินแท่งเล็กครับ ที่จริงแล้วที่ตรงนั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องแกะสลักใช้ถิ่นหินแท่งใหญ่ได้แต่เขาไม่คทำเพราะว่าเพื่อทุกหน่วยมันคลี่คายได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและสามารถบนะูรณะซ่อมแซมได้ง่ายเพื่อกนอมโครงสร้างหลักท่านไม่ต้องอธิบายเลยใช่ไหมฮะหรือมันเป็นปรัชญาปรมีกาคนระับเป็นร้อยร้อยพันพันเลยนะะด้วยอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแบบฉบับเป็นจายของศิลปา ขี้คลายจากอินเดียแล้วครับถ้าเราเห็นรูปประติมากรรมของอินเดียนั้นเราจะพบว่าเต็มไปด้วยพลังอำนาจของเทพเจ้านะครผู้ตระการชาวบ้านที่ ข, ขึงขังแต่ว่าเมื่อมาถึงที่กอรชวานะครับศิลปินผู้สร้างสิ่งเหล่านีน้แม้จะได้รับอิทธิพลของอินเดียที่เรียกอินเดียนไนเซชก็ตามแต่จะบวกกับอุฒิสัยใจคอของชาวชวาซึ่งอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์มาก พอเกิดรูปทรงแล้วศิลปะที่เรียกว่าสีวิชัยขึ้นงดงามยิ่งครับ น, นี่ผมนึกไม่ออกครับภาพเอียงๆอยู่ด้วยเออผมผมนึกเหตุการณ์ไม่ได้นะแต่ว่าดูเหมือนจะอยู่ชั้นบนสามชั้นนั้นนายช่างตัดสินใจอย่างแม่นยำนะครับชั้นล่างจะแกะสลักแบบที่เรียกว่าไฮรีลิสคืมีความลึกมากชัดเจน ชั้นกลางซึ่งเป็นรู ป, ปรภูมิอันแรกเป็นกลางกรมพมนะดูเหมือนไอ้ความลึกตื้นขึ้นพอชั้นที่สามนี่เป็นโลลิฟล์แหละเบาบางชั้นที่สี่เป็นโลกุตรภูมิหายไปเลยครับไม่มีรูปล่านี้แล้มันทุกจุดถูกมองอย่างทํารวจตรวจสองโครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากทางวัตถุแล้วเป็นเครื่องสะท้อนโครงสร้างภายในการมาพบรูพบอ ร, รูพบแล้วโลกุตระพุ ต้นไม้ครับเขาออกแบบได้เป็นเป็นร้อยพันพันลักษณะนะครับนป็ น, นต้นไม้แห่งชีวิตที่องอกเงยอย่างในสมสวรรค์เลยฉันบนสุดนี้สร้างจากพระคำพีคันทะวายุหะของมหายานครับ